พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบเก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าอย่าทําไม่ดีในสีผ้ากาสาวพัเอา้าวบทตราชนีน่นะ ฟังนะที่นี่นะคณะสถาญาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบเฉเงียบใครคุยกันข้างล่างหยุดซะก่อนอย่าเพิ่งคุยกันคุยกันถ้าจะคุยกันนุ่มลากแขนกันไปนอกกำแพงค่อยคุยนะอยู่บริเวณนะี้อย่าคุยกันอยู่ในความสง บ, บก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเพราะว่างานของหลวงปู่ใกล้เข้ามาเต็มทอนแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่ยี่สิบวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปังเหลือยี่สิบวันแล้วก็วันนี้จะมีกลุ่มโยธาที่การจะมาดูมาตรวจตราดูที่จะสร้างพระพาที่จะตั้งพระพารับเสด็จเวลาสิบศูนย์ูนนอก็จะมีการประชุมกันละมาตรวจแล้วก็มาประชุมกันเพราะนั้นขอให้ทางโรวงครัวเนอ ทางวงพัวทกลวงโรงครัวนะั่นนะเตรียมพร้อมเพื่อจะเลี้ยงแขกผู้ที่มางานมาดูงานมาที่จะตั้งพระพาพระพราที่รับเสด็จจะมาคงจะมาหลายคนอยู่มีท่านผู้ว่าราศการจังหวัดและหัวหน้าส่วนรัศการหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องคงจะมาดูแล้วก็ประชุม เสร็จแล้วก็คงจะรับทานอาหารเที่ยงที่วัดของเราเพราะนั่นทางครัวทุกครัวนะ่ให้ช่วยช่วยกันนำอาหารมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานหลว ง, งปู่เรานี่แหละหลวงพ่อบอกเลย ว, ว่างานของหลวงปู่เรามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะมาร่วมกันแล้วก็ทางฝ่ายทางน้ำ ก็น <S an> ี่ทางไฟฟ้าทั้งเสียงาทางฝ่ายพระสงฆ์ก็พร้อมอที่มาช่วยงานแต่สิ่งที่แปลกปลอมก็มีอีกเหมือนกันเออหลวงพ่อก็แปลกใจกับหมู่ปี่น้องประชาชนาทำไมทาไมจะมาคิดทำชั่วในวัดวาศาสนาเราจะไปทำมาหากินที่อื่นแล้วก็ทำได้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 คิดเบียดคิดบางคิดถูถูกเยียดยาำแล้วขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาถ้าเราไปทำอย่างนั้นแปลว่าเราทำความชั่วในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นบาป ก, กรรมติดพบติดชาติไป น, นานเท่านานนะลูกหลานนะอย่าว่าไม่บอกนะเราไปทำทำมาค้าขายจุดหนึ่งก็ได้กําไรดีแต่ไปทำมาค้าขายจุดหนึ่งเอ อ, เ อ, อกไรไม่ดีเนี่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 แล้วไปคิดขโมยไม่ได้แล้วก็ขโมยบาดขโมยจีวรขโมยยามอะไรของหมู่พวกเพื่อนทําไมถึงทําความชั่วได้หลงคอน่าคิดเหมือนกันนะลูกหลานนะต้องคิดให้ไกลๆอย่าไปคิดไกลๆถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอย่ากหกเนีพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านประกาศท่านสอนไว้ดีแล้วข้อสัมพันธ์ให้เราเป็นผู้มีสิงเท่านั้นแหละ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 เพรนั้นเห็นว่าหมู่มากว่าเป็นดีทีเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันนะกลุ่มพระเทวทัตกลุ่มมากกว่านี่เอาลงคะแนนกันไงพอลงคะแนนกันฝ่ายเทวทัตเลยชนะพอชนะก็เลยได้ผ้ากำพลผืนนั้นแหละราคาเป็นแสนเนี่ยเป็นผ้าที่ดีที่สุดนะ่ยถวายพระเทวทัตพอเทวทัตก็ถือผ้าได้ผ้าผืนนั้นแหละหอมแล้วก็อวดไปในสถานที่ต่างๆ คนทั้งหลายที่ไม่มีไม่นับถือเรื่องใส่เขบอกว่าเทวทัตคลองผ้าไม่สมกับไม่สมกับตัวเองเน่ยเทวทัตคลองผ้าไม่สมกับฐานะตัวเองน่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดโจรธนากันพดสนทนากันไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเทวทัตเนี่ยคลองผ้าไม่สมกับตัวเองมีแล้วในครั้งก่อนๆนั่นแหะ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 แล้วก็มีหัวหน้าช้างอีกเป็นหัวเป็นจ่าฝูงแต่นี่ก็พระประเจกเห็นเห็นช้างหัวนีเห็นช้างอยู่ในป่าพอเห็นแล้วไปเห็นพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าคือพระพระประเจกคือพระสงฆ์นี่แหละท่านมียูนิฟอร์มอย่างนี้แะมีผ้าสีผ้ากาสาวพัดเนี่ยท่านเดินไปช้างทั้งหลายก็นั่งหมอบลงคุกเขา่า คุกเข่ากราบพระช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยหเห็นผ้ากาสาวพัฒเห็นผ้าสีเหลืองเนี่ยช้างให้ความเคารพพอเห็นช้างทางั้งหลายเห็นพระประเจกเดินน่ยช้างก็จะหมอบกราบลงพอหัวหน้าหมอบลูกน้องอะไรก็หมอบกราบเคารพพระประเจกพุทธเจ้านี่ยแต่นี่นายพลไปหายิงช้างพอช้างถูกกินช้างก็วิ่งห น, นีมันเข้าใกล้ไม่ได้ พระเทวทัตเนี่ยช้างหมูนี่มันขอลบพระประเจกพุทธเจ้าเนีเราจะทํำยังไงเนาะจะได้ผ้าสีเหลืองพระประเจกพุทธเจ้ า, า, จ า, จ า, จจามาคุมเนีะ่ะเนี่ยคนมิจฉาชีพมันคิดอย่างนั้นเลยคนชั่วใช่ไหมวางแผลเนี่ยในนี้พระประเจกพุทธเจ้าท่านก็ไปส่งน้ำํำในห้วยในคลองเน่ ะ, ะเทวทัตจะย่องย่องไปขโมยผ้าพระประเจกเ น, นี่ยเนะี่ยขโมยกระทั่งภาพพระเจกนะคนคนชั่วเนี่ยนะ พอได้ภาพพระประเจกมาแล้วเข้าป่าม็ดเลยจะเนี่แต่ทีนี้ก็เพราะช้างโขงนี่นะ่ะเวลาเดินผ่านพระประเจกหัวหน้าโขงจะเคารพซะก่อนแล้วก็เดินผ่านแลลูกน้อง ก, ก็เคารพเป็นทอดเป็นทอดไปแตทีนี้ก็พระเอ๋พระประเจกนี่พระประเจกปลอมมันก็เป็นนั่งอยู่ข้างถนนแลยจะเนี่ยเตรียมเตรียมถนูไว้อย่างดีแล้วนั่นแหละอาบยาพิษอีกต่างหาก พอช้างเดินมาหัวหน้ามันก็เคารพต่อมาก็เคารพพอช้างตัวจุดท้ายนี่ดูดูแล้วมันละละาละหละังมาแต่มันมีงาใช่ไหมละ่ะนายนี้กับธนูยิงเลยคนนะันพอยิงถูกช้างช้างก็ถูกยาพิษมันก็หัวใจ ต, ตายทันทนะีพอตายเสร็จแล้วก็ช้างนายพานก็ไปตัดเอางาไปยา หาหมูหาเพื่อนมันก็คงจะเก็บซากศพมันเรียบร้อยต่อมานานนานอีกไปอีกเป็นนั่งอีกนั่งจุกปุกเหมือนพระประเจริญหูอพ่า ค, คองใะ่แล้วก็ยิ <c oughs> ่งช้างอีกหัวหน้าช้างก็สังเกตเอ๊ะทาไมช้างของเราหนมูของเราทําไมร่อยหลอหรือมันทาไมมันหายไปอหัวหน้าช้างเีท่นี้มันมันเป็นเพราะอะไรมันสังเกตมัน เห็นพระปัิเจรองค์นี่มานั่งอยู่ที่ที่ทไรเนี่ยมันมันดูดูแล้วมันผิดสังเกตนะเ น, นี่ยนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านใช้ปัญญานะถึงจะเป็นช้างท่านก็ใช้ปัญญาเนี่ยจากนั้นท่านก็บอให้ให้บริวารเดินก่อนเนยปะสุเจ้าเดินก่อนไหมข่าจะเดินตามหลังไงเออพระเหมือนพญาช้างนี่ก็เดินตามหลังพอตามหลังก็ตาของท่านก็สังเกตชำเรืองชำเลืองด้วยชำเรืองดูเอ้ย พอพระประเจกปลอมแล้วกันเนี่ยที่ของผ้ากาสาวพัดนี่ยคือคลองผ้าเหลืองอยู่เนี่ท่านนี้ก็พอช้างใหญ่จะไกระเดินตามหลังมาแต่ท่านสังเกตนี่ใช่ไหมท่านไม่ได้ทอดสายตาท่านไม่ทิ้งมองอยู่ทีนี้พอเสร็จเท่านั้นแหละนายธนูนี่กันเอาธนูออกมาจากจีวรของตอนเองนะเนี่ยถลกจีวรออกมาเตรียมธนูที่จะยิงเลย พอจริงๆปล่อยลูกธนูไปพัดเนี่ยช้างเนี่ยหลบแล้วหลบลูกธนูเนยพอหลบลูกธนูช้างเนี่ยขโดดเข้าไปเลยวตะครุบเลยเหมือนกันเอะเออพอตะครุบพระประเจก์ปองเหมือนกันพอประคุบจะนั้จับได้แเนี่ยพระปฏิเจตช้างเลยบอกโอ้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยาจะขจี้มันเลยนะเออเหยียบมัเลยแต่นีโอ้อันนี้มันคลองผ้าผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระราหัน ข้าไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำความความชั่วเพราะข้าเคารพในภาพภาผภาพพระปเจกเกนนะ เ, เพราะภาสีเหลืองคือธงชัยของพระอรหันต์ เ, เป็นภาพหุมห่อผู้บริสุทธิ์หลุดพน้นอาสะวะกิเลสถ้าเราไปฆ่าเส้นเเหมือนกับเราเป็นคนเป็นช้างที่ไม่ดีเป็นช้างที่ทรยศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์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 กาสาวพัดหมาห่มตัวเองแล้วมาทำมิจฉาชีพเนี่ยไม่น่าถูกนะลูกหลานนะต้องคิดดูให้ดีเอออันนี้ก็คือขนาดพระโพธิสัตว์ในท่านเป็นสัตว์ที่ฉาญนะเป็นช้างท่านยังเคารพผ้ากาสาวพัดเพราะนั้นพวกเราได้ครองผ้ากาสาวพัดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นสากกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยแท้ๆแล้วจะไปทำความชั่วช้างเสียหาย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 ได้กินทุกอย่างได้ใช้ทุกอย่างมาแล้วแล้วก็มาทำความชั่วช้าเสียหายในวัดของท่านคนโบราณเขาบอกว่ากินในพื้นขึ้นไปขี่รถหลังคาขี่รถหลังคาอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะพวกเรามาอยู่วัดวาศาสน า, า, า, าของท่านเราต้องพยุงเราต้องมาช่วยส่งเสริมให้วัดป่าวิเวกพัฒนารามของเรา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 ไม่ใช่ว่าทางหลวงครัวกงเหมือนกันถ้าพี่น้องลูกหลานเข้ามาก็ใจดีเขาขอขอก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยได้ไหมได้พอเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านท่านคงได้กินอาหารในฐานะที่เราเป็นลูกได้กินของดีๆแล้วก็คิดถึงพ่อถึงแม่ขอสักสองถ้วยได้ไม้มเราเป็นเจ้าของโรงทานก็ต้องใจดีเออเอาไปให้ใครละ่ะ ถ้ามันเกินไปเราก็เออมันเกินไปแล้วนะไม่ใช่เอาไปซื้อไปขายนะอันนี้เอาไปให้พ่อให้แม่เได้อยู่แต่เอาไปมากๆมันไม่ใช่เอาไปเอะเทงไปกว้างไปซื้อไปขายมันไม่ใช่นะเรามาตั้งโรงทานสําหรับให้คนกินแต่ถ้าว่าเอาไปให้พ่อให้แม่เออก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่าเราได้กินของดีๆแล้วก็ต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราพ่อแม่ของเรามาไม่ได้ พ่อแม่ของเรากินแล้วก็จะได้เป็นหน้าที่ของบทธิดาลูกหลานทั้งหลายจะต้องดูแลพ่อแม่ของตอนเองนี่แหละพวกเราที่เป็นเจ้าของหลักฐานก่อใจดีนะเ อ, อต้องคิดหน้าคิดหลังเ อ, อไม่ใช่ว่าเขาขออะไรกันห น, ห, หน้าบึ้งเฮ้ยตะวิลิวตะเวียงซ้ายตะเวียงขวาทับพีกวิ่งว่อนไปหมดนะใครจะเข้าไปใกล้ใช่ไหมล่นะเ อ, อกลัว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 พอมาแล้วก็พ่อคงจงคงจะหิวมากเพราะเป็นเศรษฐีเนะี่ยเดินทางไกลก็เลยให้พ่อกินก่อนนีพ่อกับแม่อาหารแม่แให้พ่อกินแทนที่ผู้หญิงนะแม่บ้านรักรักสามีใช่รักพ่อบ้านมากก็เลยมอบให้พ่อกินให้พ่อบ้านกินคงจะหิวมากเลยพ่อไม่เคยทุกข์เคยยากมาก่อนเลยก็เลยแม่บ้านก็เลให้พ่อให้แม่ให้สามีกิน พอกินเข้าไปแล้วมันจุกที่หนพ่งมันขาดอาหารมานานไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเดินทางนะ่ยพ่องมกินอาหารก็เลยตายนะพอตกกลางคืนตายยังเหลือสองที่นีให้ลูกส า, สาวตัวชื่อตีอาอยุสิบสาสิบสี่ปีนะเนี่ยไปเอาไปเอาอาหารมาให้อีกนะไปทอพ่อครัวหนูขออาหารสองชดุดพ่อครัวก็เลยเอาให้อีกสองชดุด มาก็ให้แม่ให้ให้แม่กับตัวเองกินพอต่อแม่หรือแม่มก็คงจะคิดถึงพ่อด้วยออล้ว้าเวด้วยแม่ก็เลยตายอีกเนี่อพอตายยังเหลือแต่ลูกสาวตัวซิดรล็อายุสิบสาสิบสี่ปีวันลงขึ้นก็ไปขอข้าวเีกไปขออาหารอีกพ่อพ่อค้านะดิฉันขอหนูขออาหารชักชดหนึ่งาทางพ่อครัวที่ทำอาหารนี่ยก like คล้ายๆกว่าขู่เขาแล้วงั้นเถอะเพราะไม่รู้เรื่องเนี่ยเอบอกบอกว่าเอ้เนี่ยเอเมื่อวานวันก่อนขอสามชดุดวันนี้เพิ่งมารู้จักท้องตัวเองวันนี้เหรอมากินเพิ่งเพียงชุดเดียววันเนีเ้ยนี่แหละอนางอิจหนูน้อยมาเคยบอกว่าไม่ใช่เมื่อวานเราไปให้พ่อให้แม่สามชุดคือให้พ่อให้แม่แต่พ่อถุงตาย แล้วก็แม่เมื่อวานก็แม่ตายยังเหลือแต่หนูคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงขออาหารชุดเดียววันนี้นะจากนั้นกับพ่อก็เลยพ่อครัวก็เลยโอ้สลดสังเวชใจโอ้เอา้เอาจากนั้นอินูมาอยู่กับพ่อนะพ่อจะเป็นพ่อของอินูนะมาอยู่กับพ่อนะเอนี่แหละก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมเอามาอยู่กับพ่อครัว แต่พอมาอยู่กับพ่อครัวคนมีปัญญาใช่ไม้มไปที่ไหนก็เกิดปัญญาจัด ก, การดีทั้งหมดคนมีปัญญาถ้าคนโง่ไปที่ไหนคือสื่อบือ้อย่างว่านะ่นางสาวมาวดีมาอยู่กับพ่อครัวมาเห็นพ่อครัวเห็นคนมาจัดตักอาหารแนะย่งกันเข้ามาคนนั้นก็อยาก ไ, คน น, ากากไคนนี้ก็อยากได้เอออาหารแต่กระชวยกยายแต่ละวันนางสามาวดีอายุสิบสามสิบสี่ปีเอ๊ะพ่อ ทำไมเป็นทาไม่ทําเป็นซองให้ทนเค้นคนเดินเข้ามาตามซองเนี่ยแล้วกจัดแล้วก็ออกไปจัดแล้วก็ออกไปคนจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้อันนี้มันคนเข้ามาแย่งอาหารกันโอ้บางทีอาหารตกหล่นอีกเสียหายเียพ่อน่าจะทําอย่างนั้นนะเนีน่ยคนมีปัญญาเน่เออใช่พ่อครัวก็เลยจัดเอาไม้ไผ่มาทําเป็นราวเป็นช่องเป็นซองเข้าไป คนก็เดินตามซองเลยผมก็รับอาหารไปเปิดเลยคนก็ไม่เถียงกันเลยนะเงียบเก็บเศรษฐีอยู่บนบ้านเยไม่ห่างไกลเท่าไหร่เอ๊ะตะกอนตอนเช้ามาเห็นตะคนแย่งกันสนันวันไหวแต่โรงทานของเราทำไมไม่มีคนเลยเลยนะไม่มีคนมากินเลยเลยนะ่ยทำไมมันเงียบนักไม่ยินเสียงตะกอนเสียงตะโกนโวกเกไปหมดเมือม่อแจกอาหารเนะี่ย เศรษฐีก็ไม่สบายใจเศรษฐีก็เลยลงมามาทำนะพอครัวได้ทำอาหารเลี้ยงคนไหมเนี่ยทำไมนนไมันคนมันเงียบนักวดเลี้ยงสม่าเสมอยิ่งมากกว่ากว่าเก่าครับเอาทำไมคนจะไม่มีเสียงละ่ะเพราะลูกสาวของของผมเนี่ยเป็นผู้ใช้ปัญญาให้ผมผมก็เลยทำเป็นซองเข้ามาเนี่ยคนเดินตามซองเข้ามาแล้วไปจัดอาหารแล้วเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านคนก็เลยไม่เถียงกัน ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนลูกสาวอยู่ที่ไหนเศรษฐีก็ทำเอาลูกสาวตัวสิริปานี่แหละเอ้าตะกอนตะแกไม่มีลูกเนะี่ยทาไมไม่ลูกลูกบนธรรมลูกบนธรรมมาจากไหนฮเศรษฐีทำชักไซไล่เลียงที่ไหนได้เป็นลูกของเพื่อนตัวเองนะอยู่คนละเมืองกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากเศรษฐีก็เลยเอาลูกสาวคนที่ไปอยู่ด้วยเนะี่ย นอันนี้เลยคือรวมทานทั้งหลายนะเราต้องคิดให้ไกลสรุปแล้วเมื่อเราจะทำบุญกับอันไหนถ้าเขามีขอมาพอประมาณแล้วก็ต้องยืดยุนอนุอนุอนุอนุรมตามพอเอาเขาไปให้พ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขาที่ไม่ได้มาไม่ได้มาทานกับเ ข, เขาเขาทิดทานอาหารแล้วก็พอใจอาหารอร่อยอย่างนี้นะ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 องค์พอขอฝากไว้กับลวงครวัวทั้งหลายทั้งปวงนะเห็นไม่นางสามาวะดีพ่อตายแม่ตายยังเหลือตัวเองพ่อครัวก็ยังขู่อีกอวันก่อนขอสามชดุดแต่เมื่อวานขอสองชดุดเพิ่งมารู้จักประมาณตัวเองเหลือวันนี้อีหนูนี่พ่ อ, พอครัวขู่แต่นางนางอีหนูนะบอกว่าไม่ใช่เมื่อวานวันก่อน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 เพราะทั้นวันนี้หลวงพ่อก็ให้พูดให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแนวหนึ่งนะถ้าจะพูดไปยาวเหลียวคูบาจะไม่ได้จันจังหันละวันนี้เอารับพรในตนีนะ่า